กราบบูชาพริตนาไตรกราบบูชาครูบาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อเทิงหลวงพ่อคาเขียนถวายความเคารพมายังพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์วัฒนาชัยพระอาจารย์สุรินพระเถระพันเตเพื่อนสัตตมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็บาสุกบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก่อนอื่น ขออภัยนิดหนึง่งเนาะในระหว่างการฟังธรรมให้เราถอดหมวกเนาะเพราะว่าในวินัยมีอยู่ข้อหนึ่งว่าเราจกไม่แสดงธรรมกับผู้ที่สวมหมวกนะอันนี้เป็นวินัยใน227 <c oughs> ้อเข้อ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่ย6ห ม ก, กราคมพุทธศักราช2557นก็เป็นวันที่สองของคณะที่มาร่วมกับรายการพื้นที่ชีวิตก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมท น, า, นากับผู้ที่จัดและก็ผู้ที่มาถือว่าเป็นการเพิ่มมิติในการสำรวจชีวิตารายการพื้นที่ชีวิตในภาษาอังกฤษเขาว่าอะไร Life Exploration ใช่ไหม การสำรวจชีวิตเราสำรวจจากการดูรายการสารคดีเป็นสองมิตินะในภาพในเสียงผ่านรายการสารคดี <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่านำพวกเราจากสองมิตินะมาสู่สี่มิติห้ามิติอะไรก็แล้วแต่แลนะเรียกว่ามาสำรวจชีวิต ตรงๆจากเราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ผ่านรายการนะก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มมิตินะในการที่จะศึกษานะในการที่จะนํามาปฏิบัตนะิให้เกิดผลนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าโ น, มนา้มนะ้าวแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองมาเมื่อวานวันแรกวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วก็ อยู่กับที่นี่นะประมาณ5 <c oughs> คืน6วันนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สำรวจตรวจสอบลงไปในชีวิตนะในตัวเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษเลยนะเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะทำให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องไปห่วงใครเลยนะเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งห่วงอยากย้แม่มาแต่แม่ไม่ได้มาก็บอกไม่เป็นไรนะเอาตัวเราเองก่อนเนาะการมาที่วัดบ่าสุกโตเนี่ยที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อบุญธรรมท่านได้ริเริ่มก่อสร้างไว้แล้วก็หลวงพ่อคําเขีย น, นได้มาสานต่อแล้วก็ แม้ว่าท่านจะไม่อยู่นะพวกเราก็จะสานต่อนะต่อไปนะที่วัดป่าสุกโตนะมีชื่อว่าสถาบันสติปฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันสิ่งที่เราจะ <c oughs> แบ่งปันกันนะก็จะเป็นเรื่องของ <c oughs> การเจริญสตินะเรื่องอื่นเราจะพูดกันน้อยมาก เพราะนั้นผู้ที่มาที่นีนะ่ก็คงจะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายร่วมกันนะที่จะมาเจริญสตนะิตามหลักสติปัฏฐานสนีะ่ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินหลายคนคงเคย ป, ปฏิบัติมานะแต่ว่า <c oughs> รูปแบบวิธีการก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็น ปัญญานะของพระพุทธองคนะ์ที่ท่านได้นำเสนอไว้หลายแนวทางเหมาะสำหรับผู้ที่มีจริตนิสัยที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งวิธีการก็มีมากมายอาตมาก็เข้าใจว่าพวกเราหลายคนนะคงจะเคยผ่านหรือคงได้ฝึกหัดนะวิธีการต่างๆกันมานะซึ่งโดยสรุปนะง่ายๆเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือการที่ ให้เรานั่งนิ่งๆ น, นะแล้วก็หลับตานะแล้วก็ให้สงบนะให้จิตสงบนะบางคนก็ <c oughs> เข้าใจาว่าเมื่อจิตสงบแล้วไม่ต้องคิดอะไรนะอันนั้นก็คือความสุขนะที่เป็นสุขสุดยอดอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นหลายคน <c oughs> มาที่นี่นะก็จะแปลกใจว่าเอ้ไม่เห็นเขานั่งหลับตากันเลยนะไม่เห็นเขานั่งนิ่งๆเลยนะ เขายกมายกมือกันทำอะไรนะหรือแม้แต่การเดินนะเมื่อวานเดินจงกลมเนะี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเราเคยไปฝึกเนะี่ยมันต้องเดินช้าๆนะเดินย่องย่องนะแล้วก็มีคำบริกรรมด้วยแต่ที่นี่โอ้โหเดินเร็วจังเลยแล้วมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงเนี่ยนะแล้วก็มันจะรู้ได้ยังไงเนี่ยรินะร่งถ้าไม่นั่งหลับตาลืมตามันก็จะฟุ้งซ่านสิใช่ไหม มันมันเป็นสิ่งที่ <c oughs> อาจจะขัดแยง้งอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิดเอาไว้แต่บางคนก็อาจจะสงสัยขึ้นมานะจริงๆใน <c oughs> ในรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีทั้งในส่วนที่ให้สงบก็มีนะก็คือนั่งนิ่งๆหลับตาที่เราได้คุ้นเคยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่นั่งนิ่งๆหลับตาเนี่ย มักจะจมไปกับความสงบก็คือไม่ได้ตื่นรู้ขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราพลาดโอกาสนะที่จะสำรวจตรวจสอบลงไปในกายในใจของเราเรียกว่าไปจมแช่นะอยู่กับความสงบความนิ่งนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเจ้าชัยฐะนะก็ได้ไปเรียนกับอาจารย์สองคนนะก็คืออาลาราดาบทกับอุทุกดาบทนะเรียกว่าได้ฌานสมาบัติ7ฌานสมาบัติ8 เรียกว่านั่งนิ่งขณะที่ว่าฟ้าผ่าลงมาตรงหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ยินนะแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกใจมากว่าทำไมเจ้าใจแต่จึงยังไม่พอใจในความสุขที่ได้จากฌานขนาดนั้นนะถึงกระถามอาจารย์ว่ามีอะไรมากกว่านี้อาจารย์บอกไม่มีแล้วเรียกว่าสุดยอดของวิชาทางด้านการฝึกจิตในสมัยนั้นเนี่ยถึงขนาดนั้นแต่เจ้าใจแต่ไม่พอใจ ทำไมไม่พอใจเพราะว่าความสุขขณะที่เรานั่งหลับตานิ่งๆเนี่ยหรือได้ฌานตรงนั้นเนี่ยเป็นเพียงชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวเมื่อตื่นขึ้นมาไปทําการงานไปทํากิจวัตรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องมากระทบตากระทบหนะูกระทบอายตนะทั้งหลายเนี่ยก็ยังพอใจไม่พอใจอยูนะ่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เจ้าชายตะเนี่ยได้สังเกตว่า มันต้องมีอะไรมากกว่านี้นะมันน่าจะมีความสงบที่เราตื่นรู้ขณะที่เรามีชีวิตเราดำเนินชีวิตเนี่ยมันน่าจะมีความสงบที่ไม่ใช่สงบแบบนิ่งแบบนั้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นยุกสมัยนั้นไม่มีนะท่านต้องไปค้นหาเองนะแล้วท่านก็ไปค้นพบนะเมื่อวันวิสาขบูชานะไปพบว่าที่เรามีความทุกข์นะที่เราไม่สบายใจเนี่ย มันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนะเส้นตรงเนี้เป็นจุดสำคัญและเป็นความรู้ใหม่ในยุคนั้นนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เจ้าชายได้ค้นพบนะในค่าของคืนวันวิสาขาบูชาตรงกับยามสามนะเพราะนั้นที่เรามาเริ่มต้นชีวิตกันในแต่ละวันที่นี่ในเวลาตั้งแต่ตีสเนี่ยก็คือยามสามนั่นเองเราอาศัยช่วงจังหวะ ที่เป็นช่วงจังหวะที่จิตมันจะตื่นเต็มที่เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสงสัยทำไมทั้งมาตื่นตีสามทำไมต้องมาตื่นให้มันเช้านะเรากำลังนอนหลับสบายเลยนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นกิจวัตรประจวาวันของที่นี่เพราะฉะนั้นการตื่นขึ้นมานะก็เพื่อที่จะได้มาสัมผัสกับตรงนี้ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นความรู้ใหมนะ่ที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าชายตะได้ค้นพบนะว่าความทุกข์เกิดจากความคิดปรุงแต่งการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนั้นเป็นสิ่งที่พาให้เราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจโลภโกรธหลงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น เป็นความรู้ใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่เจ้าใจยจะได้ค้นพบนะเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วตรงนี้นเองเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่ชั้นใช้เป็นเครื่องมือในการเห็นเห็นความคิดปรุงแต่งเห็นความไม่รู้เท่าทันตรงนี้ก็คือสติสัมปชัญญะหรือเราเรียกกันภาษาไทยง่ายๆว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่เราได้ใช้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราหยิบจับสัมผัสอะไรส่วนใหญ่เราใช้ความรู้สึกซต่เส้นะความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดความคิดนก็ต้องคิดต้องนึกแต่ความรู้สึกคือระลึกรู้สึกหยิบจับสัมผัสขณะที่เรานั่งฟังกันอยู่ตอนนี้ถ้าเราไม่งก ง, ง่วงนะเราตื่นตัวเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรานั่งอยู่ขณะที่เรายกมือเราก็รู้ นะว่ามือที่มันยกนะระลึกยิ้วอยู่นะแต่ถ้าเรางกง่วงเราโดนความง่วงครอบงำเนี่ยเราก็จะไม่รู้เราก็จะอยู่ในอาการง่วงซึมเศรานะแล้วก็ความตื่นไม่มีนะเพราะนั้น <c oughs> การที่เรามาไหว้พระสดมนต์ระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์นะได้สาธยายธรรมนะในบท ต่างๆเนี่ยก็เป็นการปลุกตัวเองให้ตื่นนะด้วยบทสวดมนต์นะเป็นการทำใจให้พร้อมนะที่จะรับฟังสิ่งที่จะเป็นสาระเป็นประโยชนนะ์สิ่งที่จะน้อมนำอาอกไปปฏิบัติต่อไปเพราะนั้นตรงนี้นี่เองนะเครื่องมือสำคัญก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวหรือสติตามสัญชาตญาณ เป็นสติสามันสติใช้ในการทำการทำงานใช้ในการพูดคุยใช้ในการกินใช้ในการหนีภัยสติอันนี้เนี่ยมันใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่สามารถที่จะเท่าทันกับอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไวไวมากๆโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งนี่เขาเรียกว่าไวยิ่งกว่าสายฟ้าแลบนะไวยิ่งกว่าแสง สิ่งที่ไวกว่าแสงไม่มีตัวตนไอสไตร์พูดไวชัดแต่มันมีสิ่งที่ไวกว่าความคิดก็คือความรู้สึกตัวแต่ทาไมล่ะมันถึงไม่ไวเพราะเราไม่ได้ฝึกมันเราไม่ได้มาปลุกให้มันตื่นขึ้นมามันก็เลยเฉื่ยเป็นสติเฉยเฉยเป็นสติเนื่อยเนื่อยไปอย่างนั้นเองเป็นสติสามัญที่เรามีอยู่เพราะนั้นนีตรงนี้นี่แหละเป็นการที่ พุทธองคนะ์หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ในระยะหลั ง, ลงนะก็จะนําเอารูปแบบของการปฏิบัตินะมานําเสนอแล้วให้พวกเรานะได้ฝึกได้ปฏิบัติได้ทดลองได้พิสูจนะ์ด้วยตัวเราเองนะอย่างมาที่นีนะ่เราก็จะเห็นแล้วว่ารูปแบบการปฏิบัตินั้นเราจะไม่นั่งนิ่งๆเราจะไม่นั่งหลับตานะเราไม่ได้เน้นให้นิ่งสงบแบบไม่รู้ตัวสงบมี2 อ, อย่างนะ หนึ่งสงบแบบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรเลยนะอันนั้นคือสงบแบบรือสีเขาเรียกว่าสงบแบบรือสีโยคีนะเป็นความรู้ที่มีมาเมื่อ 4,000 ันปีที่แล้วเจ้าไทยตะก็ไปเรียนมานะหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือในประเทศอิรักนะมีรูปภาพของโยคีนะเป็นภาพแกะสลักไว้ที่ภาพฝาผนังนะซึ่งอันนี้อาจารย์โควิดได้เคยไปเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟัง นั้นความรู้ในความสงบแบบนิ่งเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วก่อนพุทธเจ้าด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็เป็นการสงบแบบชั่วคราวทั่านั้นเองเรียกว่าสงบแบบนิ่งไม่รับรู้อะไรสงบแบบที่สองขณะที่เรานั่งฟังอยู่ขณะนี้ใจเราเฉยเฉยปกติใช่ไม้มไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เฉยเฉยนะและเป็นสงบแบบตื่นรู้ด้วยนะ สงบพร้อมที่จะฟังสงบพร้อมที่จะทําทการทํางานนี่แหละคือความสงบแบบตื่นรู้ซึ่งเป็นความสงบที่เจ้าชัยตะได้ค้นพบในวันวิสาขบูชาแต่ทำไมละ่ะมันไม่อยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักมันจริงจริงแล้วก็เราเคยชินที่จะติดกับความสุขนะความทุกข์พูดง่า ย, ง, ายงชีวิตนะชีวิตที่คุ้นเคยเนาะ กับความพอใจไม่พอใจอะไรที่มาถูกใจทาให้เราสบายก็พอใจอันไหนที่ทาแล้วลำบากนะเดือดร้อนนะเป็นทุกข์แล้วก็ไม่พอใจนะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเราก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่ยคุ้นนะกับความสุขความทุกข์แต่เราไม่คุ้นนะกับความเป็นปกติเขาบอกเหมือนกับเราเดินทางเรากายน้า น้ำที่ดีที่สุดที่จะแก้กระหายคือน้ําจืดคือน้ําธรรมดาธรรมดาไม่ใช่น้ําเปรี้ยวน้ําหวานนะไม่ใช่น้ําชาเขียวชาขาวอะไรทั้งหลายที่โฆษณากันในปัจจุบันซึ่งจริงๆมันไม่ได้ชาเขียวอะไรจริงจัมันน้ําหวานดีๆนี่เองแล้วมาโฆษณาขายนะแล้วเราก็กินแล้วมันก็ไม่ได้แก้กระหายจริงๆอ่ะพรากินน้ําหวานกินน้ําเปรี้ยวกินน้ําอะไรทั้งหลายมันมาจบที่น้ําจืด น้ำธรรมดาธรรมดาชีวิตจิตใจของเราที่มันสุขมันทุกข์มันก็มาจบที่ปกติปกติเฉยเฉยอันนี้คือความสงบที่มันมีอยู่แล้วเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วแต่ความที่เราไม่คุ้นเราไม่รู้จักเราก็ไปหลงในสุขนะอยากได้สุขมากๆอยากให้สุขอยู่นานนานทุกข์ไม่อยากให้เกิดนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เรามีชีวิตที่ ระหุระเหินนะเรียกว่าฟูฟูฟแฟบแบเหนื่อยนะกับความสุขความทุกข์เพราะนั้นบทที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้นะมีสติไปในกายทุกเมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่ไงเพราะนั้นการ่าถอนความพอใจไม่พอใจเนี่ยนะก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัว การกลับมารู้สึกตัวทุกครั้งเนี่ยมันจะทำให้เราสัมผัสกับความเป็นปกติของใจได้เสมอเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกและการฝึกต้องทำให้ต่อเนื่องอย่าไปทำทำหยุดหยุดนะหลายคนมาที่นี่สบายก็ทำขยันก็ทำเบื่อไม่ทำไปนอนดีกว่า สมัยที่จะมาฝึกกับหลว ง, งพ่อเทียนเนี่ยท่านบอกว่าให้ทำนะทารูปแบบเนี่ยให้เยอะๆนอกจากทําในรูปแบบแล้วในชีวิตประจําวันก็อย่าให้ทิ้งไปเพราะฉะนั้นและอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากที่ได้ยินท่านพูดชัดเลยฝึก น, นะนะกลางวันไม่นอนนะกลางคืนนอนหลายคนตอนเช้าฝึก แต่ตอนกลางวันไม่ฝึกไม่ไหวมันง่วงอะ่ะง่วงก็ไปนอนดีใช่ไหมโดยเพราะยิ่งถ้าไม่มีใครดูแลไม่มีใครเป็นเพื่อนเป็นการณานิตรเป็นกลุ่มเนี่ยเรียบร้อยนะเข้านอนดีกว่านะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราการฝึกของเราขาดความต่อนเนื่องการเจริญสตินะโดยเฉพาะการเจริญสติในในหลักสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยให้ทําต่อนเนื่อง ครั้งหนึ่งอาจารย์ไปสารได้ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนถามว่าจะฝึกตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคิดว่าเป็นเวลาราชาการนะเนาะตั้งแต่8ปดโมงจนถึงสี่โมงเย็นนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าฝึกตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนโอ้โหนั่งสังจังหวะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยเหรอไม่ต้องกินข้าวเลยเหรอนะจริงจริงไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าในรูปแบบเราก็ทา นอกรูปแบบเราก็ทำในรูปแบบคือเดินจงกรมสร้างจังหวะพยายามอยู่ที่นี่เนี่ยใช้เวลากับเรื่องนี้ให้เต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มที่มาเนี่ยมีเวลาแค่เต็มที่4วันเต็มเมนับตั้งแต่วันนี้นะอย่าพึ่งไปสนใจที่จะทำความรู้จักคนนู้นคนนี้หรือไปถามคนที่อยู่ในวัดนะก็มีบางคนนะนะช่างคุยนะ พยายามหลีกห่างเลยอย่าไปคุยการคุยเนี่ยทำให้เราเสียเวลาเนะปลีกวิเวกเลยงดพูดเพื่อภาวนานะอย่าไปสันนากฐานะเพราะการสันนาการเนี่ยเราทำมามากแล้วในสังคมนะมาที่นี่ตัวใครตัวมันใช้คำคานี้เลยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนซี้กันแล้วมาด้วยกันเนี่ยนะจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยนะ ให้โอกาสแต่และคนปลีกวิเวกตัวใครตัวมันไม่จำเป็นไม่คุยเลยนะยกเว้นว่ามันเดือดร้อนจริงจริงแล้วพยายามอย่าไปหาเรื่องคุยการฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะเบื่อและไอเบื่อ น, นี่แหละมันจะชวนคุยเดี๋ยวหาเรื่องคุยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะให้ระมัดระวังนะทีนี้ในรูปแบบของการฝึกเนี่ยนะ เดินจงกรมสร้างจังหวะก็ดีทําให้มากๆนะมีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยเล่นเลยทําเลยขนาดนั่งอยู่ว่างๆอย่าไปนั่งมือลอยหรือไปนั่งคุยกันนะเนี่ยเสียเวลาเสียโอกาสเสียเวลาในการที่จะสํารวจตรวจสอบลงไปในตัวเรานะในกายในใจของเรานะเพดัะนั้นการฝึกจเจริญสติเนี่ยนะเราเริ่มต้นที่กายก่อนจิตคิดนึกอย่าเพิ่งไปสนใจมัน เอากายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมาระลึกรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมันเป็นของที่หยาบที่สุดชัดเจนที่สุดถ้าเรารู้สึกที่กายเนี่ยนะเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะพัฒนาเข้าไปเห็นสิ่งที่มันละเอียดลงไปในตัวเราแลนะก็คือจิตที่มันคิดนึกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นการสำรวจชีวิตหรือการเรียนรู้ชีวิตนั้นให้เรียนรู้ทุกอารมณ์ อย่าไปหวังว่าเราอยากจะได้อารมณ์โปร่งๆโ ล, ล, ล่งๆสบายๆพอทำไปมันง่วงมันเบื่อมันหนักไม่เอาละหนีนะทีนี้มากลุ่มนี่หนีไม่ได้อะพระอยู่แต่คนที่ไม่มีกลุ่มนี่ต้องรวบควบคุมตัวเองนะก็เห็นมีนะบางคนตั้งใจมาปฏิบัติมีศรัทธาอยากจะมาปฏิบัตินะขยันดีตอนแรกๆนะ พออยู่ไปอยู่ไปไม่ไหวแล้วเจอความเบื่อเจอความง่วงเจอความฟาุ้งซ่านคิดว่าไม่ถูกแล้วมั้งเนี่ยไปคิดว่าการปฏิบัติเริ่มต้นนี้มันต้องปิ๊งหลับไปเลยสงบไปเลยไอ้นี่มันจินตนาการโลกของความคิดมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายความคิดทั้งหลายที่แสดงปรากฏขึ้นมานั่นล่ะคือธรรมะที่แสดงให้เราเห็น การเห็นทำไมไม่ได้เห็นในลายเลยเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นความเจ็บปวดเห็นความง่วงเหงาเหงานอนเห็นความเบื่อนะเห็นความฟุ้งซ่านนี่คือการเห็นนี่คือการสํารวจชีวิตจริงๆนักสํารวจนี่ก็เป็นเพียงผู้สังเกตไม่เข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์ไม่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งตรงนี้จะเป็นการถอยตัวเองออกมาจากปรากฏการณ์เหล่านั้นที่เป็นธรรมะแต่เพราะความที่เราไม่รู้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตมันจริงเราก็เลยจมไปอยู่ในความสุขจมไปอยู่ในความทุกข์จมไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่ชอบเราก็อยากใหมาอยู่นานๆอารมณ์ที่ไม่ชอบเราก็จะผลักสายออกไปแต่ผู้สำรวจชีวิตจริงๆผู้สังเกตชีวิตจริงๆนั้นเาเป็นเพียงผู้สังเกต สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันแสดงออกมาแสดงออกมาทั้งภายนอกแสดงออกมาทั้งภายในโดยเฉพาะจิตใจความรู้สึกความนึกคิดต่างๆประทันสติเนี่ยจะเป็นตัวที่เห็นตัวนี้และนี่แหละคือตาที่สที่มีอยู่ในตัวเราเรามีตาที่สองคือตาเนื้อดูโลกข้างนอกดูออกไปแต่ตาใจคือความรู้สึกตัวสํารวจตรวจสอบเข้ามาในตัวเรา ความปวดความเมื่อยความเบื่อความสุขความปอดโปร่งโล่งใจอะไรทั้งหลายเราเจ็ดเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาที่มันเกิดแล้วมันก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับเห็นอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันจะเกิดจากตรงนี้ปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดนึกแต่ปัญญาเกิดจากการที่เราเห็นความจริงที่มันแสดงปรากฏแล้วเราไม่ได้เข้าไปพอใจไม่พอใจมันใจเราเฉยๆรู้อยู่ เป็นปกติอยูนะ่นี่คือสิ่งที่เราจะได้ร่วมกันนะสำรวจตรวจสอบลงไปที่กายที่ใจของเราด้วยเครื่องมือคือความรู้สึกตัวนะหรือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนสี่ห้าวันที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่เราทำเรื่องนี้ให้มากมากทำในรูปแบบนอกรูปแบบการกินด้วยสติการแปลงฟันด้วยสติการล้างชานด้วยสติการเดินด้วยสติ นะพยายามพูดให้น้อยนะไม่พูดเลยจะ ด, ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นคนที่มาใหม่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันนะสำรวจลงไปในชีวิตเป็นการเพิ่มมิติใหม่จากร า, ายการสารคดีพื้นที่ชีวิตนะที่เรียกว่าสำรวจชีวิตสำรวจด้วยตัวเราเองแต่ละคนตัวใครตัวมันนะนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รึมาร่วมกัน เพราะนั้นในช้าวันนี้นในโอกาสนี้ก็เป็นการนําเสนอนนสิ่งที่จะเป็นสารประโยชน์นะก็จะเน้นจุดสําคัญสรุปก็คือว่าการที่เรามาที่นี่นเราคงมุ่งหวังนที่จะได้มาสํารวจตรวจสอบลงไปที่กายที่ใจของเราด้วยเครื่องมือสําคัญคือความรู้สึกตัวพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้ฉับไวขึ้นจาก สติสามัญเป็นมหาสตนะิเป็นสติที่ฉับไวที่จะเห็นความจริงของกายของใจที่แสดงที่ปรากฏแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปคล้องแหวกมันเพียงเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นผู้เป็นนะซึ่งอันนี้เป็นคําที่หลวงพ่อคําเขียนนะท่านได้พูดทิ้งเอาไว้แล้วเราก็เอาคําพูดเนี้มาปฏิบัติแล้วก็พยายามดูแลตัวเองนะปลีกวิเวกงพดพูดเพื่อภาวนานะ อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็ในท้ายที่สุดนี้นก็อ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรยัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นาก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงความจริงทั้งหลายที่แสดงที่ปรากฏในกายในใจของเราและก็สภาพป็นล้อมทั่วไป ที่มีความแปลปวนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจของเราพระสงค์คือผู้ปฏิบัติหรือการปฏิบัติลงไปการกระทาลงไปนะที่เรามาร่วมกันนะใช้ชีวิตที่นี่ขอให้พวกเราได้มีความเพียรความพยายามมีความอดทนนะที่จะฟันฝ่านะอุปสรรคทั้งหลายนะที่จะทำให้เราไม่ทำหรือไม่ปฏิบัตินะด้วยความเพียรความพยายามความอดทน ขอให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้สัมผัสนะความสุขที่ประณีตคือความเป็นปกติของใจที่มีอยู่แล้วอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร